จเจริญพรทุกท่านเราเริ่มเลยก็แล้วกันนะก่อนจะฟังธรรมเดี๋ยวเรามาตกลงกติกาก่อ น, นเวลาฟังธรร ม, มามันต้องใช้สมาธิในการฟังงั้นอยากขอร้องพวกเรานะระหว่างฟังธรรมเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์รรก่อนจะสั่นจะอะไรก็ไม่เป็นไรมีโทรศัพท์รรจำเป็นเข้ามาเราออกไปข้างนอก แล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะงดถ่ายรูปนะงดถ่ายวีดีโอเราควักกล้องขึ้นมาควักมือถือขึ้นมากวนสมาธิควนข้า ง, า ง, างเวลาที่จะคุยกันเนี้ยไม่นานเท่าไหร่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งสละเวลาชั่วโมงเดียวนี้ถือว่าถวายพระพุทธเจ้าซะสละ เรื่องถ่ายรูปเรื่องอะไรไม่มีสาระอะไรเท่าไหรเสียสมาธิไปแเราคนรุ่นเราเนะยสมาธิไม่ค่อยจะมีใจมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเต็มไปหมดยิงพวกเล่นเฟซเล่นไลน์เลยนะหาความสงบไม่ได้ะวุ่นวายวันๆคอยสนใจแต่ว่าจะเขียนอะไรให้คนมาอ่านอ่านแล้วเขาจะชมหรือเปล่าสนใจแต่เรื่องพวกเนี้ย วันคืนเดือนปีผ่านไปนะไม่นานก็แก่หาสาระไม่ได้สาระไม่ได้หลวงพ่อทำงานเรียนรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกันนะตอนเรียนเนี่ยเขาก็อยากเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นเอกอาคาัครราชทูตอนะไเนเขาก็เป็นนะคนใหญ่คนโต พอเกษียณขึ้นมาก็ามไม่เป็นอะไรละว่างเปล่าสิ่งที่แย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายว่างเปล่าเขาเริ่มมามองว่าทำไมหลวงพ่อดูมีความสุขแก่ก็แ ก, ะ ก, ะแกเ่เท่าๆกันแต่มันมีความสุขการจะศึกษาพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องยากขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนานะเรียนไปแล้วมันได้อะไรถ้าเราไม่รู้ เป้าหมายนะไม่รู้จุดมุ่งหมายเวลาเราจะทำงานสักอย่างถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะสเปสสะปะงั้นเป้าหมายของพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จุดสูงสุดของความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ความไม่ทุกข์ถ้าเราฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ว่าจิตใจจะไม่ทุกข์ สภาวะที่จิตใจไม่ทุกนะมันเป็นของที่ใครๆก็อยากได้นี่แต่และคนอยากได้ก็ดิ้นรนสแสวงหาตามสติปัญญาของตัวเองคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหาความสุขให้มากๆถ้ามีความอยากใดๆเกิดขึ้นแล้วสามารถสนองความอยากได้ชีวิตจะมีความสุขแต่ถ้ามีความอยากแล้วสนองความอยากไม่ได้ถึงจะมีความทุกข์ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตื้นอย่างนั้นไม่ได้สอนตื้นๆอย่างนั้นว่าถ้าสมอยากแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกฉะนั้นตื้นเกินไปความอยากมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมจริงๆนะเราจะรู้ความจริงข้อหนึ่งว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้ ว, ลวเราลองสังเกตใจของเรานะไม่ต้องเชื่อ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่บอกว่าต้องเชื่อเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์ให้ทดลองให้ทดสอบด้วยตัวของตัวเองเ่าเป็นนี้เราลองสังเกตดูว่าทุกคราวที่เกิดความอยากขึ้นใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์ดูของจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ความใจกว้างของพระพุทธศาสนานะไม่ได้สอนให้ศรัทธาแบบ ต้องเชื่อต้องสิโรราบแต่ว่าเป็นศาสนาที่ท้าให้พิสูจน์เอหิปสิโ ก, โกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดทําไมท่านกล้าท้าทายขนาดนั้นเพราะท่านมั่นใจความรู้ที่ท่านค้นพบมาเนี่ยเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรที่ทําให้ท่านต้องหวั่นไหวเลยไม่มีใครมาล้มล้างได้สัจธรรมที่ท่านคนพบคือเรื่องของอริยสัจนั่นเองว่าสมุทัยก็คือตัวตัณหาตัวความอยากนี่แหละ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นเรามาดูของจริงๆว่าทุกคราวที่ใจอยากใจจะทุกข์จริงหรือไม่จริงนะไม่ต้องเชื่อความอยากนะมีหลายลักษณะนะความอยากมันมีหลายหลายอย่างอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่สัมผัสร่างกายดีๆนะอยากคิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานมีความสุข เนี่ยเราอยากเรามีความต้องการนะสิ่งที่ดีๆหกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแล้วก็เรื่องราวทางใจที่น่าพออกพอใจเราไปดูหนังนะเราก็อยากไปดูรูปเราไปฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคิดว่าถ้าได้ดูรูปอย่างนี้แล้วจะมีความสุขได้ฟังเสียงอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเสร็จแล้วไปหาของอร่อยกินต้องการรสอยากได้รสที่อร่อย แน่ใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลายิ่งตอบสนองความอยากก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างอยากดูหนังดูไปแล้วก็สนุกอยู่ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่สนุกละก็ไปหาอะไรกินต่อดีกว่าหรือไปฟังเพลงไปหาคนคุยด้วยแน่ใจจะหิวตลอดเวลาจะหิวก็ เ, เรียกอารมณ์อารมณ์แปลว่า สิ่งที่ใจมันไปรู้เข้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเรื่องราวทางใจทั้งหลายเนี่ยใจไม่ใช่หิวอยู่ตลอดเวลาพวกเรารู้จักแต่ร่างกายที่หิวเวลาร่างกายหิวเรารู้จักว่ามันเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นใจที่หิวใจที่หิวเนี่ยทุกข์นะไม่ได้แพ้ร่างกายเป็นทุกข์เลยร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมันหิวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่ความตะกล่าของเรานะแต่ใจเนี่ยหิวอยู่แทบตลอดเวลา อย่างตอนนี้ทีแรกก็ไม่ได้อยากฟังเทศเห็นไหมตอนนี้ฟังแล้วชักสนใจเริ่มมีสมาริในการฟังแต่ถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเดี๋ยวอยากกลับบ้านนะเริ่มกระวนกระวายเมืม่อไหร่จะจบสักทนะีความอยากมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะอยากสิ่งนี้พอได้มาก็าอยากสิ่งนี้ต่อแมนะ้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าทะเลนะี่ที่ใหญ่เท่ากับตันหาคือความอยากนะี้ไม่มี ทะเลเนี่ยบรรจุน้าได้มากมายนะแต่บอกไม่พอที่จะใส่ตันหาคือความอยากของเราเราอยากตลอดเวลาอย่างเรายังเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะเราก็อยากเป็นผู้พักษาอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นรัฐมนตรีอยากไปเรื่อยๆเป็นอยากเป็นนายกเป็นนายกไม่พออยากเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีไม่พออยากเป็นเจ้าโลกเนี่ยขยายความอยากไปเรื่อยเขาได้อันนี้ก็จะเอาอันนี้ได้อันนี้ก็จะอันนี้ แต่ละคนตกเป็นทาตของความอยากโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตเราแต่ละคนเราคิดว่าเราเป็นอิสระไม่มีใครสั่งเราได้แต่แท้จริงแล้วเราตกเป็นทาตของความอยากนะความอยากสั่งงานเราตลอดเวลาไปทําอย่างนี้สิหนีไปจากอันนี้ไปหาอันนี้ตลอดเวลาไปหารูปอย่างนี้หนีจากรูปอย่างนี้ไปหาเสียงอย่างนี้หนีจากเสียงอย่างนี้ไปหากลิ่นอย่างนี้นะหนีจากกลิ่นอย่างนี้ไปหารสอย่างนี้หนีจากหนีจากรสอย่างนี้ ใจจะดินเลาๆตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยสังเกตดูเราจะรู้เลยว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะใจถูกบีบคั้นใจมันหิวนี่พระเจ้าท่านยสอนต่อไปอีกว่าความอยากเนี่ยจะเอาชนะได้ยังไงลําพังนักปราศหรือศาสนาอื่นเขาก็มี วิธีการเขาก็คิดค้นวิธีการที่จะเอาชนะความอยากเหมือนกันอย่างบางลัทธิเนี่ยอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนนะอยากสบายนอนบนตะปูเลยนั่งบนตะปูเลยนั่งบนหนามไปเลยนะอยากอะไรก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยคิดว่าเนี่ยเป็นวิธีที่จะเอาชนะความอยากนะถ้าเราสังเกตดูจริงๆไม่ใช่ไอ้ที่ไปนั่งบนตะปูก็อยากนั่นแหละอยากอะไรอยากชนะ อยากเอาชนะกิเลสอยากเอาชนะความอยากนั้นก็อยากอีกแหละเพราะถ้าเจ้าท่านสาวลึกลงไปนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรมีอยู่แล้วความอยากถึงมีอยู่แล้วเบอกเอาวิชามีอยู่นะเอาวิชาเนี้เป็นต้นต่อเลยตัวอาวิชาตราบใดที่ยังมีอาวิชาอยู่นะตัณหาก็ยังมีได้อีกมีตัณหานะความทุกข์ก็ยังมีได้อีกเอาวิชาคืออะไรพวกเราก็ได้ยินแต่ชื่อนะบางทีเราก็ด่าคนอื่นว่าพวกอาวิชา ที่จริงพวกเราแหละพวกอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาไม่มาเกิดหรอกนะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มัจถนะ์ถ้าเราดูให้ดีนะทุกสมุทยัยนิโรธมัจถมันแบ่งเป็นสองคู่นะมีตัวสมุทยัยคือตัวอยากเป็นเหตุมีผลเป็นทุกมีมัจทนะย่อลงมาคือสีสมาธิปัญญาเป็นเหตนะุมีความดับทุกเป็นผล จะสองผู้ความไม่รู้อายสัตต์อย่างพวกเราเนี่ยถามว่าอะไรคือทุกข์พวกเราก็จะตอบว่าถ้าไม่สบายเราเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์ปลายปีหวังจะได้สองขั้นไม่ได้นะก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยอยากจะเลื่อนสีไม่ได้เลื่อนเราเป็นทุกข์หรืออยากมีแฟนสาวๆแล้วมันไม่สาวนะเป็นทุกข์เราจะได้เห็นแต่ของที่เปลือกเปลือกมัน สิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่แค่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายทุกข์มีสองส่วนนะทุกข์ทางกายากับทุกข์ทางใจเวลาที่ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นมันแสดงออกมาผ่านความแก่ความเจ็บความตายออกมาเวลาทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมันแสดงผ่านความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักแล้วก็ความไม่สมอยากจะแสดงความทุกข์ออกมาให้เราเห็น ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหงอกฟันหักอะไรเป็นทุกข์นะอกหักรักสลายเป็นทุกข์มันไม่ตื้นขนาดนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าคือตัวทุกข์นะคือขันธ์ห้าคือกายคือใจของเราเนี่เองถ้าดูให้ดีนะถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายมันไม่มีทางที่จะแสดงอาการของทุกข์ออกมาได้เลยนะถ้าไม่มีจิตใจใครจะประสบสิ่งที่ ไม่ดีนะเกี่ยวสิ่งที่ไม่รักใครจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะใครจะไม่สมหวังนี่เป็นเรื่องอาการของใจทั้งสิ้นเลยงัย้นสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยท่านบอกว่าบาลีนะบอกว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปนะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกขพวกเราคนไหนทำวัดเช้าบ้างมีไหมส่วนบททำวัดเช้าได้มีบ้างไหมไม่มีเลยเหรอส่วนไม่ได้ลองไปหาอ่านดูนะ เอาที่แปลนะดีมากเลยท่านบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์โดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละเป็นตรวจทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันอย่าไปตกใจค่าว่าขันนะขันแปลว่าส่วน ภาษาอังกฤษคือ division เป็นส่วนส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็นห้าส่วนเรียกว่าห้าขันคือส่วนของร่างกายเรียกว่ารูปประขันส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาขันส่วนของความจําเรียกว่าสัญญาขันส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันส่วนของความรับรู้อารมณ์นะคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขัน นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเรานี่เองย่อลงมาก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวทุกข์เกลียดทุกข์มีความทุกข์ขึ้นมาอยากให้หายไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าหนีไม่ได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายจะหนีไปไหนความทุกข์อยู่ที่ใจนะใจไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นแหละท่านเลยไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้ สมุทัยคือความอยากให้ละทุกข์ให้รูนะ้การที่เรารู้ทุกข์ก็คือการรู้ความจริงของร่างกายการรู้ความจริงของจิตใจคําว่าทุกข์เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะนะเป็นเทคนิคอลเทอมไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่เรารู้จักคําว่าทุกข์เนี่ยคือกายกับใจของเราเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เป็นศัพท์เฉพาะในพุทธศาสนาหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้กายอย่างที่กลายเป็น ต้องเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคนในโลกนี้ทําไมจมอยู่ในความทุกข์นะมีแต่ความอยากลากเข้าไปตลอดเวลาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะไม่เคยรู้ว่าควรจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีสั์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนามานจะคําว่าวิกับคำว่าปัตสนะปัตสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นท hey, ุกข์เป <quiera pepper. S 2> <document. S 1> ็นอนัตตาเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นความยึดถือในกายในใจจะหายไปเมื่อไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจความอยากจะไม่เกิดขึ้น สังเกตดูเธอความอยากทั้งหลายนะไม่ว่าจะอยากมากมายแค่ไหนที่เกิดทั้งวันทั้งคืนนะสรุปลงมานะมันคืออยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้ยนทุกข์อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ความอยากมีตั้งเยอะแยะนะกิเลสพันทาตันหาร้อยแดอะไรก็ตามเถอย่อลงมามันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ย่อลงมาก็แค่นี้เอง แต่ถ้าเมื่อไหรนะสติปัญญามันแก่กล้าพอเนี่ยมันเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ความอยากมันคือความไร้เดียงสาอย่างเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขตลอดเวลาเนี่ยนะมันเป็นความไร้เดียงสาเพราะอะไรร่างกายนี้มันสุขไปตลอดไม่ได้หรอกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเพราะความจริงของมันไม่เที่ยงความจริงของมันคือมันเป็นตัวทุกข์ความจริงของมันคือเราบังคับมันไม่ได้ นี่เราจะเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วเราจะไม่ทุกเพราะร่างกายอีกต่อไปเพราะร่างกายนี้แก่อย่างหัวผมงอกขึ้นมาพวกเราจำผมงอกเส้นแรกได้ไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นแล้วเราพบหรือเพื่อนเราเห็นว่าเรามีผมงอกนะรู้สึกยังไงสดชื่นหมดีใจภูมิใจอยู่มานานจนหัวงอกแล้วนะวันไหวใช่หมวันไหวตีนกาอันแรกจำได้ไหมตอนนี้ตีนเยอะแยะเลยเต็มหน้าแล้วนะ ตอนตีนการแรกเกิดนะใจวันไหวเพราะอะไรมันยอมรับความจริงยังไม่ได้ว่ามันต้องแก่แต่ถ้ามันมีปัญญาพอนะมันเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้นะเวลาแก่เนี่ยร่างกายมันแก่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายเสียใจห ตอนนี้ถ้าเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราเสียใจเพราะร่างกายคือตัวดีของเรานะแต่พระเจ้าจะพาให้เราดูว่าจริงๆ ร, ร่างกายไม่ใช่ของดีจิตใจก็ไม่ใช่ของดีนะมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาแล้วนะเราวิ่งหาความสุขมาจิตใจมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะก็หิวอีกแล้วนะจะต้องการยังอารมณ์อย่างอื่นอีกแล้วก็วิ่งไปอีกมีแต่ความทุกขนะ์เนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเรียนให้มาก นะเรียนให้มากจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากให้กายเป็นสุขก็ความจริงมันเป็นทุกข์ความอยากเป็นความไร้เดียงสาอยากให้มันไม่ทุกข์อยากให้มันทุกขมันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์นี่คือไร้เดียงสา จิตใจนี้เป็นตัวทุกข์เราอยากให้มันมีความสุขนี่คือความไร้เดียงสาจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเราอยากให้มันไม่ทุกข์นี่ก็คือความไร้เดียงสาดังนั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเองเพราะเราไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทํำวิปัสสนากรรมฐานการจะทํำวิปัสสนากรรมฐานนะคือการที่เราเข้าไปเผชิญความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจอย่างร่างกายของเรายกตัวอย่างนะร่างกายของเราเนี้ มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แต่ทําไมเราไม่เคยรู้อ่ะเพราะเราไม่เคยสนใจที่จะรู้ร่างกายนี้มีทุกข์อยู่ทุกๆอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะทันทีที่เกิดความทุกข์นะเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติอย่างเราเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับนะมันก็หายเมื่อยไปแล้วยังไม่ทันจะรู้เลยว่ามันคือตัวทุกข์เชื่อไหมว่าการหายใจเป็นทุกข์ อาต่อไปนี้หายใจเข้าให้ยาวที่สุดในชีวิตสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจเข้าไปสุขหรือทุกข์ตอบได้ยังมันรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าสุขหรือทุกข์พอเราหายใจเข้ามันทุกข์นะเราก็รีบหายใจออกหายใจออกเราคิดว่ามีความสุขเหรอเราหายใจออกให้ยาวที่สุดลองดูสิทดลองดูสุขหรือทุกข์ ไม่ต้องไม่ต้องถามคนอื่นเลยมันรู้ด้วยตัวเองวินยูช น, นรู้ด้วยตัวเองแล้จะรู้ความจริงเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนเรานึกว่าไม่ทุกข์เหรอกลางคืนเวลานอนพลิกตัวบ้างไหมนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนะคนปกติน่ะถ้าไม่เจ็บป่วยแบบทุกข์ทรมานดิ้นเล่าๆนะจะนอนแล้วพลิกไปพลิกมาเนี่ยคืนหนึ่ง ประมาณสาสิบหรือสี่สิบครั้งนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ขยับไปเพื่อทำไม่ทันรู้เรานั่งอยู่ตรงนี้ขันบ้างย่างมีคันบ้างไหมหรือไม่รู้ไม่รู้เพราะขันเราก็เก่าเลยใช่ไหมนะนั่งอยู่เมื่อยเราก็ขยับเลยยังตอนนี้ยังลุกขึ้นเดินไม่ได้เกรงใจท่านทีมดีนะเราก็ขยับเอวเพราะมันเมื่อยนะในความเป็นจริงนะความทุกข์เนี้ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้ แต่เราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เราก็เลยหลงไหลนะว่าร่างกายเนี่ยคือของดีของพิเศษของเราลองไปเผชิญความจริงก่อนนะต่อไปนี้นะเวลาเมื่อยขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าเมื่อยก่อนแล้วค่อยขยับทีหลังนะ่ถึงขนาดหายใจออกหายใจเข้านั้นละเอียดไปนะดูยากนิดหนึ่งถ้าสมาธิไม่พอเดี๋ยวกลุ้มใจตายนะดูแค่ยืนเดินนั่งนอนนี่สี่สีสิยาบทนี่เองยืนเดินนั่งนอนนี่ เราจะเห็นในเวลายือนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกขนะ์สุขมันหลอกหลอกเรานะที่จริงมันคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่เราเปลี่ยนอิรยาบถใหม่เนี่ยมันมีทุกข์น้อยเราก็รู้สึกว่ามันสุขนะพอความทุกข์มันรุนแรงขึ้นเราก็ถึงยอมรับว่ามันทุกข์เราก็เปลี่ยนอิรยาบทหนีไปอีกงั้นตอนเปนี้เรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะอย่าใจลอยสตรูเบอร์หนึ่งของการทํากรรมฐานก็คือการลืมตัวเอง วิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแต่คนใจลอยเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจรู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่งอยู่เฉยๆก็ลอยไปที่อื่นแล้วนะในขณะที่ใจลอยเนี่ยยุงกัดยังไม่รู้เลยเห็นไหมหรือบางคนเนี่ยเล่นไพ่นะใจหมกมุ่นอยู่การเล่นไพ่นะตำรวจมานี่เพื่อนหนีไปหมดแล้ว ย, ยังไม่รู้เลยหมไดไปคิดว่าจะจั่วตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเมืนะ่อไร่ที่ใจลอยมีกายก็เหมือนไม่มี มีใจก็เหมือนไม่มีนั้นใจลอยนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ได้มันทําให้เราลืมตัวเองไปนะศัตรูเบอร์2คือการบังคับกายบังคับใจนะบังคับให้ผิดธรรมชาติเพราะเราจะไม่เห็นความจริงของมันอย่างส่วนใหญ่ของนักปฏิบัตินะพวกที่ไปเข้าคอร์สเข้าอะไรบอกทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทําวิปัสสนาจริงนะส่วนใหญ่ไปทำไปเดินให้ลําบากนะไปนั่งให้ลําบากไม่ทําอะไรที่ผิดธรรมชาติ นะบังคับกายบังคับใจบังคับตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ได้มาคือความเครียดนะพอบังคับมาหลายหวันจะได้เวลากลับบ้านรนะู้สึกมีความสุขแล้วเลยบอกว่าปฏิบัติทำแล้วมีความสุขจริงๆไม่ใช่ระหว่างปฏิบัติเนี่ยถูกกดดันให้เครียดจัดๆนะพอจะเลิกกดดันไม่มีความสุขอัตโนมัติทุกคนแหะนั่นเป็นเรื่องจิตวิญญาไม่ใช่เรื่องกรรมฐานอะไรเลยนะไม่ค่อยมีคนทำํำวิปัสสนาจริงหรอกนะมีแต่คนถ้าไม่เผลอไปลืมกายลืมใจ ก็บังคับกายบังคับใจอะพวกเราลองทดสอบหน่อยนะลองนั่งสมาธิหนะ่อยลองนั่งไม่เคยนั่งก็ลองนั่งดูอะลองดูสักหน่อยลองดูสัหน่อยนะสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกคือบังคับกายตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีสมาธิขึ้นมามันก็คือนั่งสมาธิอยู่แล้วเราจะต้องนั่งค่านี้ ต้องนั่งท่านี้นะถึงจะเป็นสมาธิสังเกตตัวเองนะเมื่อกี้พอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธินี่ขยับตัวทุกคนเลยยกเวนท่านอาทิตย์ดีนะ <laughs> นั่งสงสัยเคยฟังซีดีหลวงพ่อ <laughs> พอเราขยับร่างกายได้ที่เราจะเริ่มบังคับใจตัวเองทำใจขุ่มขุ่มทใจขุมขมนิ่งนิ่งนะคิดว่านี่คือการปฏิบัติแท้จริงนี่ไม่ใช่การปฏิบัตินะ นี่คือการบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากมันคือความสุดโต่งที่เรียกว่าอัตกิลมะถานุโยกนะส่วนใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยลืมกายลืมใจเป็นความสุดโต่งที่เรียกว่ากามสุขาริการุโยคเวลาเราฟุ้งซ่านไปเราไปฟุง้งไปคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสัมผัสใช่ไหมเป็นเรื่องของกามคําว่ากามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์นะกามเนี่ยเป็นความที่เราพออกพอใจ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องภาษามทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่เราใจลอยใช่ไหมสนใจในเรื่องรูปลืมตัวเองสนใจในเสียงลืมตัวเองอย่างได้ยินคนเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยกันขณะที่เราตั้งใจฟังเขาคุยกันนะเราลืมตัวเราเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมเนะี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆ นะอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจออกจะหายใจเข้ารู้สึกตัวไปอย่าใจลอยนะขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นหลวงพ่อจะถามหน่อยขณะนี้พวกเราเนี่ยใครรู้สึกมีจิตใจที่รู้สึกเฉยๆบ้างนะยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆนะไม่มีเลยเหรอใครรู้สึกเป็นทุกข์บ้างยกมือซิ ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซนะิแล้วที่ไม่ยกมือคืออะไรเพราะมันมีอารมณ์้ตัวเวทนาทางใจนี่มีสามชนิดเองนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยนะสามตัวเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนะทั้งคืนเลยนะถ้ายังมีความรู้สึกอยู่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวเฉยเฉยหมุนอยู่อย่างนี้เองเรายากไหมที่เราจะรู้ว่าตัวเรากําลังมีความสุขใจกําลังมีความสุขยากไหมที่จะรู้ว่าใจมีความทุกข์ ยากไหมที่จะรู้ว่าใจไม่สุขไม่ถลกใจเฉยเไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะเราไม่รู้ว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมถ้าไปทำที่วัดได้จะดีที่สุดไม่เกี่ยวอะไรเลยวัดไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยนะแค่เรานั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่งนะเห็นร่างกายมันหายใจนะเรารู้สึกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านียแค่นี้เขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วเวลาเดินอยู่เราเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอะไรที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมใครรู้สึกว่ากล่องที่ชู่เป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้ามีได้ให้ปรึกษาจิตแพทย์นะผิดปกติละอะไรที่ถูกรู้เนี่ยพวงมาลัยถูกรู้เห็นไหม ใครเห็นพวงมาลัยเป็นเราได้บ้างนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นต่อไปนี้เราหัดนะฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้หลงนะผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสด ง, สดงทําตัวให้เป็นคนดูดูอะไรดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นใจขนาดนี้สุขหรือทุกข์ดวออกไหมเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันละนะเมื่อกี้เนี่ยเครียด ก, กว่านี้ตอนนี้สบายกว่าแต่กี้รู้สึกไหมจะต้องให้บอกไหมแต่ละคน แนี่ความรู้สึกของเรามันเปลี่ย น, นคอยรู้ทันมันเข้าไปมีสุขก็รู้มีทุก ข, กข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ทั้งวันมี3มอย่างนี้เท่านั้ น, นดูแค่นี้พอละเราจะรู้เลยว่าจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นเท่านี้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยเพราะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่เฉยๆนียครอบคลุมจิตทุกชนิดละเะฉั้นจิตทุกชนิดเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ไม่มีจิตดวงใดเลยที่เป็นตัวเราที่ถาวรหรือถ้าไม่ถนัดดูสุขดูทุกข์เราดูดีดูชั่วก็ได้พวกเราคนไหนขี้โกรธบ้างขี้โมโหนี่นิสยัยหงุดหงิดง่ายยกมือซื้อยกมือมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่โกรธแล้วคนไหนขี้โลภ บ, บ้างเห็นอะไรก็อยากซื้อมีไหมเห็นเมียชาวบ้านก็สวยเอออะไเงี้ยไม่ยอมไม่レスปอน คนไหนขี้โมโหรู้ตัวเองไหมคนไหนขี้โลคไปเดินช้อปปิ้งกะจะเดินเล่นเล่นเอา air, แอร์เธอแป๊บเดียวขนขอมาเพียบเลยนะในบ้านเนี่ยเต็มด้วยของที่ไม่ได้ใช้อะเต็มไปหมดเลยนะเพราะชอบซื้อ <laughs> เห็นอะไรก็อยากได้อยากได้อยากได้ไดมีไหมเห็นไหมชักเยอะแล้วเห็นไหมชักเยอะแล้วเนี่ยพวกขี้โลคเจออะไรก็อยากได้หมดเลยพวกขี้โกรธนะเจออะไรก็ไม่ชอบหงุดห ง, งิดไปหมดเลย คนไหนขี้โลบให้คอยรู้ทันใจตัวเองใจมันอยากขึ้นมาใจมันโลบขึ้นมาให้รู้ทันเราก็จะเห็นเลยมันโลบเองแล้วมันก็หายได้เองนะมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันบังคับไม่ได้ด้วยใจจะอยากเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้ใจจะโลภเราก็บังคับไม่ได้หรือบางทีใจจะรักก็บังคับไม่ได้ใช่อย่างสาวสาบางคนนะไอ้หนุ่มมันหลอกอกหักแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกแล้วไอ้คนเนี้ย มันมาจีบภักเดียวนะใจอ่อนอีกละเนี่ยเราไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่พยาบาทเป็นคนดีความจริงใจง่ายถูกเขาหลอกแล้วเราอีกเห็นไ้วใจมันโลบน้ําใจมันรักอ่ะใจมันรักขึ้นมาตั้งใจจะไม่รักมันก็รักเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธเคยมีไหมว่าจะไม่โกรธนะสุดท้ายโกรธนะเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นะใจจะโลบใจจะโกรธหรือใจจะหลงบังคับไม่ได้เนี่ยไปเรียนรู้ความจริง ความจริงของร Guy, นะ่างกายคือมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความจริงของจิตใจคือมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงลบโกดลงก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สัส่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เราเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับมัน วิปัสสนากรมามารมฐานศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรียนความจริงของร่างกายเรียนความจริงของจิตใจไม่ใช่เพื่อบังคับร่างกายไม่ใช่เพื่อบังคับจิตใจนะแต่เราจะเรียนจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เวลาแก่มันจะไม่คุ้มใจนะตัวทุกข์มันแก่สมน้ําหน้ามันเวลามันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บสมน้ําหน้ามันเวลามันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันนะใจจะฮึกบเหิมใจไม่กลัวหรอก หรือเวลาความรู้สึกต่า ง, างๆผ่านเข้ามาในใจเราเราพลัดพรางจากคนที่รักเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าความเศร้าโศกมันเกิดขึ้นมาความเศร้าโศกก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายนะใครเคยอกหักบ้างมีไหมในห้องนี้ช่วยยกมือหน่อยผู้หญิงก็ยกได้หนาไม่เป็นไรหรอกเออนี่เจ้าหารนะอ่พวกคนแก่ๆนี่ไม่ค่อยกล้ายกวางฟอร์มเด็กๆนี่ยกเฉยเลยนะเวลาอกหกักรู้สึกไหมเศร้าใจเสียใจ เรานึกว่าชาติเนี้ยโลกจะมืดมดนละ่ะโลกนี้ไม่มีทางเป็นสีชมพูอีกต่อไปแล้วมีแต่ความมืดมนอยู่ไปไม่นานก็หายนะเสียใจอยู่ช่วคราวก็หายยิ่งอกหักครั้งที่สองนะความเสียใจจะสั้นลงนะถ้าครั้งที่ยี่สิบเนี่ยจะเฉยเฉยไม่เสียใจเราเรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วยอมรับความจริงแล้วว่าเราจะไปจีบใครหรือใครจีบเราเดี๋ยวมันก็ทิ้งเรานะเพราะว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษใครเข้าใกล้เราเขก็เบื่ออย่างเนี้ย พอเรายอมรับความจริงได้นะมันจะไม่ทุกข์ทุกวันนี้ที่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงว่าต้องแก่ยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องเจ็บยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์วิปัสสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจค่อยๆดูค่อยๆสังเกตรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของตัวเองดูมันทํางานไปเรื่อยๆนะ วันหนึ่งเนี่ยมันจะยอมรับได้เพราะว่าความจริงนันมันฟ้องตัวเองตลอดเวลาร่างกายนี้มันฟ้องตัวเองตลอดเวลาว่ามันทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะเนี่ยไปดูนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสตร์อันนี้จะไม่มีการปรากฏขึ้นในโลกนะไม่มีการสั่งสอนหรือวันนี้เราก็คิดว่าศาสนาพุทธเป็นไรทาทานถือศีลนั่งสมาธิทําทานถือศีลนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้า ศาสนาอื่นก็มีนะอย่างมุสลิมนเนขามีสากาดถึงปีเขาจ่าภาษีสังคมนะคนที่มีกำลังต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเงี้ยนี่เขาก็มีการทำทานเขาก็มีศีลอย่างของเขาศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็มีสมาธิอย่างของเขาการที่เขาไปทำละหมาดวันละห้าครั้งนั่นคือหลักของสมาธิอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดาเขาคิดถึงวันละห้าครั้งใจเขาสงบนะ ของเราเชาวพุทธเนี่ยว่ายพระวันละครั้งยังทำไม่ค่อจะได้เลยสู้เขาไม่ได้จริงๆนะมันถึงแพ้นนแล้วอย่างมุออสลิมศาสนาคริสต์ไหมวันอาทิตย์เข้าไปโบสถไปร้องเพลงร้องเพลงใจสบายนะฟังออกแกนฟังอะไรสบายใจนั่นคือหลักของสมาธิถ้าพวกเราอยากได้สมาธิเนี่ยเคล็ดลับมันมีนิดเดียวถ้าเราไปรู้อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิจะเกิดขึ้น สมาธิมันเป็นสตวัวกับความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรพวกนี้แต่มันไม่สมใจมันไม่มีความสุขไปดูหนังไม่มีความสุขก็ต้องไปฟังเพลงฟังเพลงยังไม่มีความสุขแล้วมีกินข้าวกินข้าวไม่มีความสุขแลต้องไปนั่งคุยกับเพื่อนอย่าเงี้ยนะนั้นจะดิ้นไปเรื่อยใจจะฟุ้งซ่านแต่ถ้าใจมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะมันพอใจในอารมณ์แบบนั้นแล้วมันจะไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อื่นมันจะมีสมาธิเพราเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องยาก อย่างพวกเราเวลาที่เราทำงานที่เรารักงานที่เราชอบสังเกตหมสมาธิมันเกิดเองเลยแต่ถ้าเราทำงานที่เราเกลียดนะสมาธิไม่ค่อยเมีนะงั้นตัวอะไรที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะงั้นถ้าเราอยากให้มีสมาธิเราก็ดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยควรจะใช้กรรมฐานอะไรอย่างบางค น, นพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปใจมีความสุขอยู่กับพุทโธใจก็ไม่หนีไปที่อื่น หรือเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วมีความสุขนะเราก็รู้ว่าลมหายใจไปเรื่อยใจมีความสุขใจก็มีหนีไปที่อื่นนะเนี่ยที่ใจมันวิ่งพล่านๆ น, นะเพราะมันไม่มีความสุขแลนะ้เราไปดูตัวเองนะว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยเป็นหลักกรรมฐานอันนี้มีมาก่อนพรุทธเจ้าเรื่องของสมาธินีมาก่อนพุทธเจ้ า, นะ า, า, จาแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะีคือการเจริญปัญญานี่แหละนะไม่มีใครเหมือน จนกระทั่งสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ได้รู้ความจริงว่ารูปรธรรมนะที่ประกอบันเป็นตัวเราเนี่ยคือตัวทุกนามธรรมา ท, ทั้งหลายคือตัวทุกนะแมทรูปภายนอกก็เป็นทุกขนะนามธรรมาภายนอกก็เป็นทุกมีแต่ทุกหมดเลยถ้ามีแต่ทุกข์อย่างนี้นะกระทั่งกายก็ทุกใจก็เป็นตัวทุกเนี่ยมันจะไม่ดิ้นรนว่าไปหาอารมณ์อย่างนี้สิแล้วจะมีความสุขมันจะไม่ดิ้นรนมันจะไม่หิวเพราะมันรู้ความจริงแล้วมีแต่ทุก แล้วมันจะไม่ได้อยากได้ความสุขเพราะมันรู้ว่าความสุขพวกของชั่วคราวนะไม่มีจริงเป็นภาพลวงตาอย่างพวกเราทําอะไรแต่ละอย่างนะเราอยากมีความสุขแต่สังเกตไหมว่าความสุขสั้นๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นอีกเนื่อใจนะตกเป็นทาสของความอยากนั้นดิ้นไปเรื่อย ๆ, ๆเแล้วเราไม่เห็นความจริงเรายังไม่ยอมรับความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้ายอมรับความจริงได้นะีใจจะหมดความอยาก ถ้าใจหมดความอยากใจไม่หิวใจไม่ดินน้นรนใจจะมีสันติสุขนะคําว่านิพพานนิพพานเนี่ยฟังแล้วเลื่อนลอยถ้าดูว่าอะไรคือสภาวะของนิพพานนะอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีสันติลักษณะรู้จักสันติไหมนิพพานมีลักษณะสันติในขณะที่ใจของเรามีแต่ลักษณะของศัตรูทั้งนั้นเห็นไหม โรคหลดหลงนั่เป็นศัตรูมาบั่นทอนหัวใจเราตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นไปฝึกเถอะนะนไหนๆก็เป็นชาวพุทธทั้งทีอย่าเป็นชาวพุทธแต่ปากนะแล้วเสียโอกาสมากเลยทุกวันนี้คนต่างประเทศเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะแยะเลยนะหลายประเทศเลยเขาอยากได้ธรรมมาเพราะประเทศเขาไม่มีหรือเคยมีแล้วหมดไปในขณะที่คนไทยเนี่ยเกิดมาก็บอกว่าเป็นชาวพุทธล้วขึ้นทะเบียนไว้เป็นชาวพุทธตั้งเกกว่าเปอร์เซ็นตะ์ เราถามว่าพระพุทธเจ้าสอ น, นอะไรตอบไม่ถูกหรอกก็จะบอกทำทานถือศีลนะถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรถึงวันตายก็หามไปวัดนี่แหละชาวพุทธนะมันตื้นไปนะเราไม่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงของพุทธศาสนาเลยเมื่อเราไม่รู้จากพุทธศาสนาเราไม่เห็นคุณค่าเราจะไม่รักพระพุทธศาสนาหมดก็หมดไปไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเห็นไหมศา ส, สนาพุทธจะหมดไปไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยมีก็ไม่มีก็ไม่มีความแตกต่างอะไร แต่ถ้าใครได้พอนานะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้ว่าถ้าเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วจุดหนึ่งเนี่ยใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงนะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยท่านเมตตามหาศาลนะการุณามหาศาลเลยดิ้นรนค้นคว้ามาด้วยความยากเย็นเพื่อจะได้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองมาให้เรานะถ้าเอามาสอนเราเราก็ไม่ค่อยเรียนซะอีกนะในที่สุดเราก็ไม่เห็นคุณค่า แต่ถ้าเมื่อไร่ลงมือปฏิบัตินะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะเราจะเห็นว่าตัวเองเนี้เปลี่ยนนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะเราจะรู้ว่าพุทธศาสนามีคุณค่าขนาดไหนเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยนะท่านเสียสละมากกว่าจะได้ศาสตร์อันนี้มาให้เรานะแล้วถ้าเราไม่สนใจมันก็หมดไปในมือพวกเรานี้ยแหละในรุ่นพวกเรานี้แหละทั้งๆที่เราแขวนป้ายว่าเราเป็นชาวพุทธแต่จริงๆไม่ใช่ คนไทยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นสารณะนะไม่ใช่พุทธทางสารณะขจามิหรอกอะไรที่ได้ผลประโยชน์เอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเห็นว่าของอื่นมีประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีประโยชน์ของอื่นเนี่ยให้ความสุขเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวมีเงินให้ความสุขเราได้ไหมก็ได้สั้นๆนะเดี๋ยวเอาไปใช้ก็หมดเงินก็ไม่มีความสุขอีกแล้ว มีครอบครัวก็อยู่กันชั่วคราวทุกวันนี้ครอบครัวของคนไทยกําลังเปลี่ยนนะแต่เดิมเนี่ยในบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ปู่ยา่าตายายอยู่กันเยอะแ ย, ยะเลยเดี๋ยวนี้อยู่กันครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกลูกไปเรียนหนังสือออกจากบ้านไปแล้วนะหรือแต่งงานออกจากบ้านไปแล้วเหลือสองคนสองคนอยู่ไปอยู่ไปตายไปคนหนึ่งหรือทิ้งกันไปนะเหลือคนเดียวนะต่อไปสังคมเราจะเหลือคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นเทรนด์ที่เหมือนกันทั้งโลกเลยนะ ตอนนี้เพราะว่าคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดหลวงพ่อไปบางประเทศนะเราเห็นในประเทศฝรั่งนะออสเตรเลียนะฐานะความเป็นอยู่เขาดีรัฐบาลเนี่ยทุกอาทิตย์นะีจ่ายเงินให้ประชาชนคนไหนตกงานคนไหนแก่คนไหนเป็นเด็กรัฐบาลเลี้ยงหมดทุกเดือนทุกอาทิตย์นะทุกสัปดาห์เนี่ยจ่ายเงินนะวันนี้สำหรับคนกลุ่มนี้วันนี้สำหรับคนกลุ่มนี้ไปยึดใช้บัตรรูดเอา แต่ปรากฏว่าตามสะพานเขาเนี้ยเขาต้องกั้นแผงเราจะไปนั่งไปเดินดูวิวบนสะพานเนี้ยไม่ได้กินหรอกเขากั้นหมดเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนมันชอบโดนน้ำตายเขาบอกว่าคนแก่ๆนะเหลืออยู่ตัวคนเดียวเหงาๆไม่ได้ทำอะไรทั้งๆ ท, ที่มีกินมีใช้อยู่นะไปโดดน้ำตายนะเพราะอะไรอยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงาเนะนี่ยพวกเราวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเจอ เราอย่านึกแม้ว่าเรามีลูกแล้วลูกจะเลี้ยงเรามันไม่เอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยก็บุญแล้วหลักนะนะต่อไปเตรียมตัวไว้จะต้องอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ไหมนะถ้ามีธรรมะอยู่ได้สบายเลยนะหมดแรงแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นอนหายใจเข ม, ลขมลหลวเขมหลวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ทุรนทุรายนะตายก็ตายแบบเท่ๆนะมีส่วนานศีไม่ใช่ตายแบบอนาถาถูกทอดทิ้งตายนี่ตายแบบมีธรรมะอยู่มีสติอยู่นะ ฝึกไนะว้นะวันข้างหน้าจะต้องเจอนะโอกาสที่จะหนียากสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วลนะมันไม่ใช่สังคมที่อบอุ่นเหมือนสมัยโบราณละเป็นะสังคมตัวใครตัวมันนั้นธรรมะจะช่วยเราได้นะลงมือฝึกแต่วันนี้การที่จะฟังหลวงพ่อเทศครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องยากมีซีดีมาแจกไม่ได้มาขายด้วยนะเอามาแจกแจกแล้วเอาไปฟังซะ เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์นิตยสารนิตยสารนั้นเป็นนิตยสารเกี่ยวกับความสวยงามบอกว่าทำไมคุณถึงสวยมีอยู่คนหนึ่งตอบนะฟังซีดีหลวงพ่อประโมนไปฟังนะแล้วสวยจริงๆนะคนที่จิตใจรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นสดใสคนที่จิตใจเศร้าหมองเต็ไมไปด้วยกิเลสตัณหาดูไงก็ไม่สวยหน้าตาเกิดมาสวยแต่ว่า จิตใจเศร้าหมองก็นะดูไม่ได้อยู่ดีเนะนื่องพวกเราส่วนใหญ่นะไม่ได้แกล้งว่านะหน้าตาดูไม่ค่อยได้อะนะเราไปฟังซีดีนะมันจะสวยกว่าเกา่านะใช้ได้สรารพัดเลยนะกรรมฐานเนี่ยฝึกตัวเองไวนะ้ไปฟังนะแล้วก็ใจเราเปลี่ยนชีวิตจิตใจมีความสุขเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ขาดสติ อย่างลู้สิษย์หลวงพ่อเนี่ยใจร้อนเนี่ยเยอะขับรถนะคว่ำแล้วคว่ำอีกนะหมุนไปหมุนมาไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกนะเขก็ลือกันว่าหลวงพ่อมีพระขลังขลังมากนะพระสติพระสมาธิพระปัญญานี่แหละขลังที่สุดเลยนะเวลาลถคว่ำปุ๊บนะสติรู้สึกตัวนะไม่ตกใจใจตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานะร่างกายจะหมุนกี่ช็อตกี่ช็อตกี่ช็อตเนี่ยรู้หมดเลย หัวจะโขกตรงนี้แล้วหลบซะหน่อยหนึ่งนะแทนที่หัวจะเละนะแล้วหน้าเป็นแผลหน่อยหนึ่งอนะไรเงี้ยเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยนะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมาคลิกรีช่วยตัวเองไม่ได้นะใช้ได้สารพัดเลยเวลาไม่สบายนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะร่วมใจคนส่วนใหญ่บางคนนะรู้ว่าเป็นมะเร็งเนะียเฉาตายแล้วยังไม่ทันเป็นมะเร็งตายเขาเฉาตายแล้วยุคเราเนี่ยคนเป็นมะเร็งเยอะที่สุดเลย รูกศิษย์หลวงพ่อที่เรียนเรียนอยู่นะหายหายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายเอ๊ที่ตายอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีนคนไทยมะเร็งมันปรุปรับนะไปตรวจร่างกายไปจําปีเป็นมะเร็งแล้วก็มีแต่ว่าคนไหนภาวนานะเป็นแล้วมันไม่กลุ้มใจมันเจ็บเฉพาะร่างกายใจมันไม่เจ็บใจมันเบิกบานบางรายอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานกว่ามาตรฐานอยู่ได้นานกว่าเกณฑรเฉลี่ยเพราะคนส่วนใหญ่พอร่างกายเจ็บป่วยใจจะเจ็บป่วยด้วย ใจเศร้าโศกถ้าเราภาวนาเนี่ยขนาดเจ็บป่วยนะใจมันยังตั้งตัวขึ้นมาได้นะใจมันไม่เศร้าหมองถ้าต้องตายก็ตายอย่างดีๆเลยงั้นเราฝึกนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมากเลยสมาธิในการทํางานก็จะดีขึ้นความยุติธรรมในใจเนี่ยไม่ต้องเรียกหามันจะมีเองอะไรที่ทําให้เราไม่ยุติธรรมรู้จักไหมพุทธเจ้าสอนนะลาเอียงเพราะอะไรได้บ้างลาเอียงเพราะรักชอบคนเนี้ย ลำเอียงเพราะโกรธใช่ไหมลำเอียงเพราะอะไรมีอะไรอีกมีสนะี่อย่างฉันทาคตินั้นโทสาคติลำเลียงเพราะหลงนะลำเอียงเพราะกลัวมีสารพัดเลยความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจเราความโกรธครอบงาใจเราไม่ได้เราไม่ลำเอียงเพราะโกรธความโลภเกิดขึ้นในใจเรานะเราชอบคนเนี้ยนะจะตัดสิน เข้าข้าวมันหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะเนี่ยเรารู้ทันว่าใจมันชอบเขาละความชอบเนี่ยจะครอบงําใจเราไม่ได้ใจเราจะยุติธรรมนะหรือเรากลัวบางทีบางยุคบางสมัยใช่ไหมสั่งเลยว่าต้องให้คดีนี้คนนี้ต้องชนะนะถ้าไม่งั้นผู้พักษาตายน ะ, ะถ้าผู้พักษาไม่ตายเมียก็ตายถ้าเมียาตายแล้วดีใจลูกจะตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันขู่กันนะ ก็มีนะบ้านเมืองบางช่วงบางสมัยที่เลวร้วายเนะี่ยมีเราเรามีอย่างพวกกลัวก็ได้ใช่ไหมถ้ากลัวเรารู้ว่ากลัวนะความกลัวจะครอบงําใจเราไม่ได้ความโลภความกลัวความหลงความกลัวครอบงําใจไม่ได้ถ้าครอบงําใจไม่ได้ยุติธรรมอัตโนมัตินะนี่สําหรับพวกเราอยู่ในแวดวงนะของวงการยุติธรรมยุติธรรมอันแรกที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไม่ยุติธรรมนะ ออกมามันก็ไม่ยุติธรรมหรอกนะงั้นสำรวจใจตัวเองเรียนรู้ไปนะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในซีดีไปฟังเอามีแผ่นเดียวฟังหลายๆหนนะฟังทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะแล้วถ้าฟังสักเดือนหนึ่งถึงแม้มีอยู่แผ่นเดียวเนี่ยฟังแล้วฟังอีกนะสักเดือนหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีหลวงพ่อนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําขายนะไม่ได้โฆษณาทําแจกนะไปฟังแล้วชีวิตจะเปลี่ยน เรารู้จักตัวเองนะรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจใชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนมีความสุขมีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกมีความเที่ยงธรรมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีศีลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเข้าใจคนอื่นนะเข้าใจตัวเองก็จะเกิดความเข้าใจคนอื่นด้วยนะบางทีเรามองคนเขาคิดอย่างนี้เราไม่เข้าใจนะทำไมไม่คิดอย่างนี้ แต่ถ้าใจเราเป็นกลางจริงนะเราจะมองเขาโบราณมีคำนะเอาใจเขามันใส่ใจเราถ้าเราพอหนาเนี่ยใจเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราจะดูเขารู้เหตุรู้ผลของเขาบาที่เข้าใจเขานะ่ะเข้าใจว่าในสภาพอย่างนี้เขาจําเป็นต้องทําอย่างนี้เขาตัดสินใจอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยความเมตตากรุณาอะไรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในใจของเรานะไปฝึกนะแล้วของดีๆมันชะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเราเอง การดํารงชีวิตในปัจจุบันจะดีขึ้นหนะ้าที่การงานจะดีขึ้นนะวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตจะมีความมั่นคงเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องอยู่คนเดียวต้องเยง็บต้องเหงาเราสามารถอยู่ได้ด้วยธรรมะใจมันมีความสุขมีความสงบนะจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยเมื่อไปฝึกนะไปฟังซีดีเข้าแล้วก็ถ้ า, ถ า, ถารู้สึกว่ายังไม่พอไปเปิด YouTube มีเยอะแยะเลย เซิชชื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่ YouTube ไปดูหนังฟังเพลงนะแล้วบอกเอ๊ฟัง YouTube มานานแล้วไม่บรรลุสักทีนะไปฝึกข้าวเพื่อชีวิตที่ดีนะตัวเองจะมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขนะเพื่อนร่วมงานจะมีความสุขสังคมจะดีขึ้นนะค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลานะเพราะปกติป ร, ประเทศประมาณสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีนะขอจบเท่านี้นะ อนุโมทนานะท่านพี่ดีแล้วทุกทุกท่านเป็นเรื่องดีมากที่พวกเราสนใจธรรมะเป็นประโยชน์อนุโมทนานะเดี๋ยวเข้าไปก่อนลนะ